ยี่หกย่องค์หลังจากนั้นมาก็เรี่อยลบไปไหนตามตักดักหลังนั้นไยู่ให้สากนั้นต่ำกาเก้าองค์10องค์ทุกปีผู้มาศึกษาถ้ามาด้วยความ ตั้งใจจิมดังเจตนาที่มาการจดจำท้งทางหงทูทางตาที่ได้เห็นได้ยินก็จำได้ง่ายมีที่เก็บในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินแล้ว คือที่เก็บได้เจใจใจถ้ามีความสนใจย่อมเก็บได้ง่ายเก็บได้ไวได้อย่างลึกลับแล้วนำออกมาเป็นคติเครื่องสอนตนอยู่เรื่อยไปในบรรดาศาสนธรรมที่ครูบาอาจารย์ ท่านพาดำเนินและเทศนาว่าการให้เราได้ยินในฝังเพราะไม่รู้อะไรไปไหนเนื่องจากจิตมีความจดจ่อต่อเนื่องที่จะได้ยินได้ฟังจากอัตธรรมของท่านและเพื่อนฝูงที่ได้สัมผัสสัมพันธ์ในข้อวัดปฏิบัติต่าง เมื่อใจมีความจดจ่อย่อมจะได้เป็นคติฝังลงลึกภายในจิตใจนำไปใช้ได้ตลอดเวลาแม้จะพลากจากครูจากอาจารย์เพื่อนฝูงไปหลักทมวินัยที่ตนได้ศึกษาปฏิบัติ กับครูกับอาจารย์ย่อมเป็นเครื่องยึดเครื่องถือได้เครื่องปฏิบัติได้เป็นอย่างดีไปอยู่ในสถานที่ใดก็ปฏิบัติแบบคงเส้นคงวาหนานแน่นอยู่ตลอดไปไม่ใช่จะมาอยู่กับท่านแล้วถึงจะมีความตั้งอกตั้งใจพราอจากท่านไปแล้วก็วเลี้ยวไหลหาสาระไม่ได้ อย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรดังที่ลู้ลูเห็นเห็นกันอยู่นี้มักจะเป็นดังที่กล่าวมานี้แทบทั้งนั้นไม่เช่นนั้นพระเนนมีเท่าไหร่ที่ไปศึกษาอบรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติถูกต้องแม่นยาที่สุดทั้งด้านวินัยและด้านธรรมะตลอด การนำออกเทศนาว่าการแจกบรรดาลูกศิษย์ที่ไปอบรมไม่มีข้าเคลื่อนจากหลักความจริงเลยแม้แต่น้อยถ้าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหรือศึกษาเพื่อหลักของจิตใจจริงๆแล้วย่อมจะยึดได้เป็นลำดับลำดา การปฏิบัติตนก็ปฏิบัติด้วยความสนใจไม่วอกแบกครอนแคลนเพราะไม่มีที่สงสัยเนื่องจากทางดำเนินเพื่อเข้าสู่อัตธรรมทั้งหลายที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานสำหรับผู้ปฏิบัตินั้นท่านเปิดโล่งไว้แล้วศาสนธรรมก็เปิดโล่งไว้แล้ว นักภูบาอาจารย์ยังมาบุกเบิกให้เห็นได้อย่างชัดเจนอีกด้วยผู้ปฏิบัติเพียงก้าวเดินตามสายทางที่ท่านอบรมสั่งสอนซึ่งเปิดกว้างไว้แล้วนั้นก็น่าจะไม่มีข้อข้องใจสงสัยควรจะได้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยภายในจิตใจด้วยความอุตส่าหพยายามไม่ลดละทอ้อลดละทอ้อถอย ผลจะพึงปรากฏขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ต้นทางคือเริ่มการปฏิบัติจนกระทั่งถึงปลายทางวิมุตติพ้นซึ่งไปจากทางดำเนินที่ท่านสอนไว้และครูบาอาจารย์นำมาบุกเบิกให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนไม่มีที่ใดที่จะข้องใจสงสัย ผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ย่อมจตักตวงเอามักเอาผลได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธการที่พระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่และสาวกทั้งหลายท่านพาดําเนินเพราะครูบาจารย์ที่กล่าวมานี้เป็นครูบาจารย์ระดับพระสาวกทั้งหลายนั่นเองคือพ่อแม่ครูอาจารย์มันเป็นที่ลงใจหาที่สงสัยไม่ได้ ในการแนะนำสั่งสอนของท่านใครจะว่าบ้าบอก็ตามเรานี่ถึงใจขนาดนั้นเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วก็เป็นเหตุให้ถึงใจทุกอย่างเริ่มไปตั้งแต่การปฏิบัติตนเพื่อความเป็นสมาธิจิตก็เห็นประจักษ์ภาณในจิตใจไม่โอ้ไม่อวดนำออกมา จากครูจากอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นสมบัติของตนก็เห็นได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งระจับกับใจในสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มแรกขั้นกลางขั้นละเอียดสุดของสมาธินี่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติจากโอวาทของท่านที่แนะนำสั่งสอนสดสดร้อนๆจอ น, อนพูดถึงเรื่องปัญญาก็เหมือนกัน ก็เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังเสมอลำพังเราเองไม่เข้าใจเพราะเป็นทางไม่เคยเดินติดสมาธิอยู่กี่ปีก็เคยได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังคําว่มติดสมาธิเพราะอะไรเพราะรสชาติแห่งสมาธินั้นเป็นรสชาติที่เหนือรสชาติใดๆซึ่งเราเคยผ่านมาจึงทําให้ติดได้จนผลสุดท้ายก็ จะเอาสมาธิทั้งเพยนั่นแหละมาเป็นนิพพานทั้งเพอีกเช่นเดียวกันทั้งๆ ท, ที่เป็นไปไม่ได้เพราะสมาธิเป็นสมาธิปัญญาเป็นปัญญาความดุดพ้นเพื่อพระนิพพานก็เป็นความดูดพ้นเพื่อพระนิพพานไม่ใช่อันเดียวกันนี่ก็คือท่านพ่อแม่คุณปจา์มั่นนั่นเองเป็นผู้สรรับผู้เทก ไล่ออกจากสมาธิอย่างเด็ดอย่างเดียวอย่างเผ็ดอย่างร้อนถึงเช่นนั้นยังถกยังเสียงท่านได้ด้วยความสำคัญผิดของตนที่เข้าใจว่าถูกนี่หากไม่ใช่ท่านมาลากมาเข็นออกแล้วจะจมอยู่นั้นไปถึงไหนก็ไม่ทราบนี่เป็นยังไงภูมิของพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่น เมื่อเรานำมาประคุตปฏิบัติจากการได้ยินในฟังของท่านเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ประจักษ์ภาณนาจิตใจไม่ได้หลงลืมเลยประหนึ่งว่าประจักษ์อยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสัจจะคือความจริงฝังใจอย่างลึกซึ้งไม่มีวันลืมหากท่านไม่รู้ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ท่านจะแนะนาสั่งสอนหรือ รูด้ดาว่ากล่าวอย่างจริงจังอย่างถึงใจขนาดนั้นได้อย่างไรนี่นี่เมื่อปฏิบัติไปรู้เห็นตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนยอมราบยอมราบกราบราบเพราะอาะไรนั่นนิยละเป็นเหตุให้ลงใจจนกระทั่งถึงไปสุดฉีดจุดแดนแห่งความประพฤติและผลเป็นที่ได้รับขนาดที่ว่าเราเป็นที่พึงพอใจ ได้มาจากใครก็ได้มาจากท่านทั้งนั้นเมื่อเป็นฉะนนั้นสงสัยท่านที่ตรงไหนว่าการแนะนำสั่งสอนไม่ถูกต้องตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินและสั่งสอนโลกมาจนกระทั่งปัจจุบันถ่ายทอดมาถึงครูบาอาจารย์เหล่านี้ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนกันแม้แต่น้อยเลยนี่แหละเป็นที่ลงใจสาหรับผู้ปฏิบัติที่อาศัยท่านอยู่เป็นอย่างนี้ หากเราตั้งหลายตั้งใจไปพื้นปฏิบัติตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนอยงจริงจังอย่างถึงใจด้วยความเมตตาแล้วเหตุใดพระเนนเราที่ไปศึกษาอบรมกับท่านเป็นจํานวนพันพหมื่นหมื่นเราไม่ต้องว่าพันพนแลเป็นหมื่นหมื่นจึงไม่ค่อยปรากฏผลขึ้นกับการปฏิบัติของตนไปทําอะไรอยู่หูก็มีตาก็มีสําหรับเป็นทาง ไหลซึมเข้าแห่งธรรมทั้งหลายสู่จิตใจแล้วมันไหลไปไหนมันซึมซาบไปไหนมันถึงไม่ตกค้างภายในจิตใจพอที่จะนำออกมาเป็นข้อปฏิบัติให้เพื่อเป็นสาระคุณคือสมบัติของตนได้มากน้อยสมกับท่านแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตานี่ฟังนูสิมีจำนวนมากเท่าไรพระที่ไปอบรมศึกษากับท่าน ส่วนมากก็ไปอย่างที่ว่านั่นเองไปที่ไหนก็ให้กิเลสท้อมล้อมบีบบังคับไปฟังก็ฟังด้วยกิเลสคิดอะไรคิดด้วยกิเลสการอยู่กับท่านสัมผัสสัพพันของท่านตีไปทางกิเลสกิเลสดึงลากไปหามมันเสียหมดไม่ได้เข้าสู่อัจุธรรมร่องรอยที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั่นเลยเพราะฉะนั้นจึงเหลวๆหลาๆโลเลโลกเลก หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่สมกับที่ไปศึกษาอารมกับท่านเป็นจำนวนมากมาเลยนี่พิจณาเอาทาั้งๆที่ทางเดินก็เตียนโล่งผู้แนะนำให้เดินตามทางที่เตียนโล่งนั้นท่านก็นแนะนำโดยไม่มีทางผิดพลาดจะแยกแยกออกไหนก็เตือนที่ดูสิตัต้งแต่ติดในสมาธิท่านยังถักใสออกไป นั่นละ่ะติออกไปจะเลยเถิดเช่นปัญญาพิจารณามากจนถึงเป็นถึงขั้นที่ว่าจะไม่ยอมหลับนอนทั้งวันทั้งคืนมีแต่การต่อสู้ทิ่เลชประเภทต่างๆด้วยปัญญาอันเป็นเรื่องเลยเถิดโดยเจ้าตัวไม่รู้ท่านก็บอกท่านก็หักห้ามท่านก็เบรกให้นั่นใครจะเกินท่านในสมัยปัจจุบัน นี่แหละท่านบอกท่านแนี้ทางเดินเพื่อมรักผลนี้ผ่านหยุดตรงไหนท่านก็บอกปีตรงไหนท่านก็บอกกาความไม่รู้จักประมาณนั่นก็คือความผิดในการดําเนินความความติดอยู่ในสมาธิหยุดอยู่ในสมาธิมาธไม่ยอมก้าวเดินทางปัญญานั่นก็คือการ ก, การหยุดการผิดความผิดอีกประเภทหนึ่งคือไม่ก้าวเดินนี่ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุม หากเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจจริงๆสมกับไปศึกษาอบรมกับท่านแล้วตรงไหนที่จะเป็นที่ตำหนิติเตียนท่านว่าเราดำเนินไม่ถูกพระโอวาทท่านไม่ถูกต้องม่นยำมีที่ตรงไหนนอกจากกิเลสมันคอยแบ่งสรรปันส่วนหรือบีบบังคับกินอยู่กับความเพียรของเราไปโดยลำดับลำดาไม่มีละเว้นเลยเท่านั้นเราจรึงไม่เห็นดัดเห็นธรรมกิเลสมันแทรกอย่างไร แทกหัวใจคนกว่ามันฝังอยู่ในหัวใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องแทืมีแต่กลืนเอากลืนเอาเท่านั้นความโลภฝังใจมานานเท่าไหร่ความโกรธความหลงฝังใจมานานเท่าไหร่รากแก้วคืออวิชชาฝังใจมานานเท่าไหร่นี่แหละบ้านเรือนสถานที่อยู่หรือสถานที่ขับกล่อมบำรุงบำเรอสถานที่ขับถ่ายของมันได้จาใจของเร า, เร า, เราท่านท่านนี่แหละ ไม่ต้องพูดไปถึงใจสัตว์ทั้งหลายพูดเฉพาะใจของเราผู้ปฏิบัติซึ่งไดาา้ไปอาศัยครูบาอาจารย์แล้วดาํามาดมาดําเนินด้วยการแบ่งสรรปันส่วนให้กิเลสหรือกิเลสมาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปหมดหรือบีบบังคับเอาไปาหมดไม่มีสิ่งใดปรากฏว่าเป็นมรรคเป็นผลเป็นสมาธิปเป็นปัญญาวิมุตติพ้นในหัวใจของเราเลยก็เพราะเหตุ ด, ดังที่กล่าวมานี้แหละ ฟังก็ฟังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อฟังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรจะเข้าฝังใจนอกจากกิเลสความไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือความไม่ตั้งใจนั่นก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งความไม่พินิจพิจารณาความเหล่านี้ล้วนแล้วตัง้งเป็นเรื่องของกิเลสความสุกเอาเผากินล้วนแล้วแต่กิเลสมีตั้งแต่เรื่องกิเลสมันแบ่งสรรปันส่วนทั้งหมดธรรมะมีอยู่ที่ตรงไหนการต่อสู้กับสิ่งที่ขับขืนเราคือกิเลสเราต่อสู้เป็นอย่างไรบ้าง ต่อสู้วิธีใดบ้างหนักตอ่เพียงไรขนาดไหนพอให้เกิดความปลื้มปีติยินดีในตัวเองว่าได้ต่อสู้กับกิเลสจนถึงกับได้ชัยชนะเป็นลำดับลำดากันมีบ้างที่ตรงไหนนี่มันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานอยู่โดยเจ้าตัวก็ภาคภูมิใจว่าได้ทำความพากเพียรไม่ทราบว่าความภากเพียร น, นั้นภากเพียรอย่างไร นี่สิมันถึงไม่ได้เป็นท่าเป็นทางทั้งๆที่เคยได้ไปศึกษาอารมจากภูบาอาจารย์องเอมาถึงขนาดนั้นือยังไม่ได้เรื่องได้ลาวอะไรนี่ก็สืบทอดกันมาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมาถึงเราเวลานี้เพราะได้เคยได้ยินได้ฟังเคยได้อยู่กับท่านเห็นเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วไม่ใช่ไม่เห็นจึงได้นาเหตุการณ์เหล่านี้มาคลี่คลายให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้ยินได้ฟังยาเพื่อ โดยให้ความเป็นคติเครื่อเตือนใจว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นในหัวใจของเราผู้ต้องการมรรคปุนิพานต้องเด็ดต้องเดียวต้องอาจต้องหานต้องเป็นผู้สนใจแคร่ตัวอัดต่อทำจริงๆเพราะสิ่งทั้งหลายที่เราเคยเกี่ยวข้องพัวพัน์นึอฝังหรือจมอยู่กับมันนั้นไม่ใช่สิ่งประเสริฐเลิศเลออะไ ร, รเราทำไมจึงต้องติดต้องพันไม่มีวันอิ่มพอแม้ขณนะมาฟังเทศฟังธรรมหรือขณนะ ที่มาอยู่กับครูกับอาจารย์ก็ไม่พ้นที่มันจะตามมาคิดดอกเบีย้ยมาคิดผลประโยชน์ของตนจนได้ในเอียบบทต่างๆของผู้มาศึกษานี่เป็นที่น่าสลดสังเวชใจมากทีเดียวการเห็นโทษของกิเลสต้องปฏิบัติธรรมเข้าไปให้ให้เห็นกันสิเพียงคาดเฉยๆคาดโทษของกิเลสทาทคาโทษของกิเลสตัวใดก็ตาม ชนิดใดก็าตามเพียงความคาดมันไม่ประจักษ์มันไม่ได้เห็นโทษอย่างถนัดชัดเจนภานในจิตใจต้องเอาธรรมเข้าเข้าแท้เข้าแสงเอาธรรมเข้าสองสิจิตฟุ้งซ่านนำคาญเอาอะไรเข้าสองเอาอะไรเข้าหากักห้ามต้านทานกันพอจะเกิดผลขึ้นมาเพเป็นความสงบนั่นต้องเอาความเพียรเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสติเป็นของสาคัญกากับการภาวนาของตนจะภาวนา วิทยาบทใดก็ตามทาบทใดก็ตามสติเป็นต้องติดแนบอยู่กับภาวนาบทนั้นนั้นอย่างเอาจริงเอาจังดูเหตุดูผลดูต้นดูปลายดูที่เกิดที่แสดงตัวของี่เลดมันแสดงออกตรงไหนความคิดความตรงุงมันออกไปตรงจากที่ตรงจากที่อะไรมันออกไปสู่อารมณ์อะไรมันถึงได้ให้เกิดความฟุ้งซ่านลําคาญและเกิดความทุกข์ทรมานใจตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ แล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องหักห้ามดูให้มันดีดูให้ดีการภาว น, นาสติเป็นของสำคัญจ่อลงไปดูลงไปหากจะใช้ปัญญาก็ให้ใช้ในวงสติครอบอยู่นั่นแหละอย่าไปใช้แบบโลเลโลเลแล้วกลายเป็นสัญญาอารมณ์เลยกลายเป็นโลกไปอีกเป็นกิเลสไปอีกโดยไม่รู้สึกตัวนี่มันเป็นไปได้ขยางนั้นนี่วิธีการที่เราจะทราบเรื่องโทษของกิเลสต้องทราบตั้งแต่เริ่รมต้น คือความฟุ้งซ่านเป็นปึกก็เป็นกิเลสใช่ว่าจะจะเป็นอะไรไม่เป็นกิเลสและการหักห้ามจิตใจที่กิเลสผลักดันออกมาให้คิดฟุ้งซ่านนั้นด้วยสติโดยบทภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วเราจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมานั่นแหละเมื่อเห็นความสงบแล้วก็เป็นทำประเภทหนึ่งที่จะซองเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านของกิเลสที่พาให้เป็นไปนั่นนี่ มันเห็นกันได้อย่างนี้มันถึงจะเห็นโทษถ้าไม่มีเครื่องทะวัดเครื่องตวงกันแล้วคาดเฉยๆยังไรก็เห็นเพียงสัญญาอารมณ์แล้วก็จมลงไปหากิ่เลสอีกให้มันเหยียบย่าทำลายอยู่ตลอดไปนั่นเองไม่มีวันใดที่จะหลุดพ้นจากจากทีเลสทั้งหลาได้ถ้าไม่เห็นภายในจิตใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้จะไม่มีเครื่องวัดเครื่องตวงกันเลยและจะไม่มี เครื่องทดสอบกันในเาลาต่อไปแห่งธรรมทั้งหลายได้อีกต้องได้ใช้ความพิจิตรณาในขั้นเริ่มแรกเอาความสงบเย็นใจด้วยการเอาจิวจังในการภาวนาวัดตัวกับความฟุ้งซ่านว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรความฟุ้งซ่านยังผลให้เกิดขึ้นคือความเป็นทุกข์ภายในจิตใจความสงบยังผลให้เกิดขึ้นเป็นความสุขภายในจิตใจนี่เพียงเท่านี้ก็วัดกันได้ทราบ พอเป็นต้นทางแล้วจากนั้นก็ทําความสงบให้มากขึ้นเพราะได้เห็นคุณค่าแห่งความสงบและได้เห็นโทษแหงความฟุ้งซ่านลาคาญถึงกับเป็นทุกข์ขึ้นมาให้เห็นประจักษ์เป็นเครื่องเทียบเคียงกันอย่างสดสร้อนๆ้อานภายในใจดวงเดียวนี้นั่นเมื่อเป็นฉะนั้นก็ย่อมมีแก่ใจคนเรานี่แหละเห็นโทษเห็นอย่างนี้มีเครื่องเทียบเคียงกันถึงจะได้เห็นแล้วถึงจะได้ขยับความภาคเพียรและ ทำทุกประเภทในบรรดาที่จะแก้กิเลสหรือถอดถอนกิเลสหรือปราบปรามกิเลสให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนต้องให้เห็นโทษอย่างนี้ก่อนแล้วก็เป็นมาเองจากนั้นก็ความสงบเห็นเมื่อเห็นคุณค่าแล้วก็จะส่งเสริมความสงบให้มากขึ้นความพุ้งซ่านได้เห็นโทษแล้วก็พยายามระงับดับมันลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีแต่ความสงบ ท่วมทนอยู่ภายในจิตใจความฟุ้งซ่านไม่มีเลยก็นั่นเมื่อถึงเพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็เราได้เห็นแล้วว่าความฟุ้งซ่านไม่มีเพราะอำนาจของสมาธิเข้าครอบเข้าบีบบังคับทับหัวมันไว้พูดไ ง, ไง่ายๆว่าอย่างนั้นนี่แหละเครื่องเทียบเคียงแห่งความเห็นโทษแห่งความเห็นคุณระหว่างที่เลดกับทำรรเห็นได้อย่างนี้จากผู้ปฏิบัติการปฏิบัติเต็มเป็นธรรมสําคัญมากที่จะได้เห็นประจักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวเอง แล้วลำดับต่อไปก็ส่งเสริมความสงบให้มากขึ้นมันหัค่อยเป็นค่อยไปเองภายในจิตใจนั่นแหละคนเราเมื่อได้เห็นชัดเจนประจักตนแล้วย่อมมีแก่ใจที่จะภาคเพียรย่อมมีแก่ใจที่จะต่อสู้ฟัดเบี่ยมกันไประหว่างกิเลสกับธรรมมีมีมสมะถะธรรมเป็นต้นมันจะหนักขนาดไหนความอุตสาห์พยายามมีอยู่แล้วไม่คํานึงถึงเรื่องความลาบากลาบนมีแต่จะเอา ให้เกิดความสงบมากกว่านี้จะทำความฟุ่นนาํลำคาญให้สงบตัวลงไปยุบย่อลงไปจนกระทั่งมีแต่ความสงบราาภานจิตใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นนี่เป็นทางเดินของผู้เห็นไผยและเก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ถอยหลังเพราะสิ่งที่เห็นโทษก็ยิ่งประจักษ์ขึ้นโดยลำดับธรรมชาติที่เป็นคุณพานจิตใจก็ประจักษ์และมีน้าหนักมากขึ้น ควรแก่การที่จะปราบปรามสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนได้เป็นลำดับลาดาไปนีอันดับต่อไปเมื่อจิตมีความสงบตามที่เราได้เห็นโทษเห็นคุณดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทางปัญญาท่านก็สอนไว้ปัญญาเป็นเครื่องคลี่คลายดูนิเรศที่สมาธิครอบหัวมันไว้หรือไล่ต้อนเข้ามาสู่ที่จนกรอกจนมุมเช่นไล่เข้เขาในคอก เหมือนไล่วัวไล่ควายเอาเลือกตัวไหนจะนำออกมาฆ่าคลี่คลายออกมาด้วยปัญญาเมื่อมันเมื่อมันเข้าที่จนกรอกแล้วย่อมพิจารณาได้ง่ายนี่ท่านว่าเรียกว่าปัญญาคำว่าปัญญานี้ได้เกิดอธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมากต่อมากหลายขั้นหลายผุมมจนสุดความสามารถของการแสดงจึงไม่อยากจะแสดงอะไรมากมายนะักเป็นแต่เพียงว่าเปิดเมื่อนให้ของการดาเนิน เพื่อความเห็นโทษเห็นคุณทั้งกิเลสและธรรมไปโดยลําดับในทางปัญญานี่แหละเมื่อปัญญายัางเข้าไปแล้วเป็นยังไงจะเห็นโทษของละเอียดของกิเลสที่ละเอียดมากกว่านี้มากกว่านี้โดยลําดับลําดากิเลสมันแทรกมันสิงมันซึมซาบอยู่ในจุดไหนจุดไหนทั้งร่างกายของเราทั้งสิ่งภายนอกที่เกี่ยวกับเรามันเที่ยวสิงเที่ยวแทรกเที่ยวยิดเที่ยวเกาะไว้หมด ถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วจะไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นกิเลสในร่างกายของเรานี้จุดไหนอวัยวะส่วนใดที่กิเลสไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเรามีไหมไม่มีเลยทั้งตัวเลยกิเลสยึดเป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดหนีหนาแน่นไหมากิเลสพิจารณาสิถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วจะไม่เห็นความซึมซาบของกิเลสที่มีอยู่เต็มชั้นผานางกายจนกระทั่งเข้าถึงจิตใจก็ว่าเป็นใจของเรา เป็นใจเราเป็นของของเรานี่เต็มไปหมดทั้งร่างกายทั้งปุ่ยไงทั้งขันห้าและจิตไม่มีช่องว่างตรงไหนพอจะเป็นเกาะเป็นดอนบากิเลสมองไม่เห็นกิเลสไม่ยึดไม่ถือล้วนแล้วเป็นเกือเป็นเรื่องของกิเลสยึดถือกรมอํานาจไว้ทั้งนั้นนี่เราจะถอดถอนด้วยวิธีใดถ้าไม่ใช่ปัญญาแล้วจะมองไม่เห็นเลยในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้คลี่คลายลงไป การพิคายคือการเปิดดูหัวของกิเลสนั่นเองมันหลบมันซ่อนมันยึดมันถืออยู่ที่ตรงไหนมันยึดลงถือว่าอันไหนสวยอันไหนงามทำมาฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปมันสวยที่ไหนมันงามที่ไหนอันนิจจังทุกขังหน้าตาครอบหัวมันอยู่มันมาเสรดสันปัญญยอว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกิลังถาวรได้ยังไงเนยถ้าม่ใช่กิเลสหน้าด้านหน้าด้านปัญญาก็ฟาดลงไปจิตมันจะด้านขนาดไหนกิเลสนั่น มันจะหน้าด้านขนาดไหนพบปัญญาธรรมนี้เคยด่ามันแหลกมานานแสนนานแล้วตั้งแต่ผู้รู้เจ้าองค์ไหนไหนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นอาวุธอันเดียวกันข่ากิเลสประเภทเดียวกันเนี่ยแยกแย ก, แยกกันอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาคลี่คลายองหมดใสารพางร่างกายเมื่อคลี่คลายครั้งนี้ยังไม่เห็นครั้งครั้งต่อไปครั้งต่อไปอีกหลายตลบทบวนเหมือนเขาคลาดนา กลับไปกลับมาจนมูลคลาดมูลไทยแหลกละเอียดแล้วควรจะ ก, การปักดำนั่นและปักดำกันเขาก็ปักดำนี้ก็เหมือนกันมืดปัญญาได้รู้ละเอียดทั่วถึงไปที่ตรงไหนตรงไหนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะถอยตัวออกไปถอยตัวออกไปจนกระทั่งทั้งร่างกายนี้ถ้าปัญญาได้สอดสองมองทะลุไปหมดด้วยความเข้าใจตามหลักความจริงแล้ว อันิ่งเลเรื่องปลอมๆเรื่องความสําคัญมั่นหมายอันเรื่องความยึดถือปลอมๆเหล่านั้นมันจะพังไปทั้งนั้นนี่แหละปัญญาข่ากิเลสด้วยข่าอย่างนี้สมาธิข่าไม่ได้ไม่ใช่ปัญญาข่าไม่ได้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบผู้อื่นไม่ทราบใครจะเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรมมาจากไหนก็ตามถ้ามาดําเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระเจ้าทรงสองนนี้ตายทิ้งเปล่าๆว่ามีทางทราบได้เลยนี่แม้แต่ผู้เรียนก็เหมือนกันอย่าว่าท่านมาเราเลย เพียงเรียนกําจําได้หมายลุ้ยเฉยที่จะไปถอดถอนกิเลสเฉพาะอย่างยิ่งดังที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่มีทางที่จะถอนได้นอกจากภาคปฏิบัติเข้าตะลุมบอลกันด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรนิสสนั้นเราจะเห็นกิเลสทั้งหลายเปิดตัวออกเปิดตัวออกสติปัญญาฟันเข้าไปแหลกแตกกระจายไปหมดว่าตรงไหนว่าเป็นเราเป็นของเรามันไม่มีมีแต่อนิยจังทุกขังรตาเต็มตัวอยู่นี่สวยตรงไหนงามตรงไหนมีอริยมรสนไหน ที่ว่า ง, งามตามกิเลสเจตสังขปัญญา่มันไม่มีมีแต่เรื่อง อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาสุอสุภาอาสาาาุพังป่าช้าผีดิบเต็มไปหมดทั้งร่างเขาร่างลายตลอดร่างเราตลอดสัตว์ทั้งหลายมันมันมนาดมันไม่อายเหลือที่นี่เมื่อปัญญาได้เห็นชัดเจนอย่างนั้นยังจะยึดมั่นถือมั่นดื้อยึดมั่นถือมั่นอยู่เหลือมันดื้อไม่ได้กิเลสตัวไหนก็เถอะเมื่อถึงขั้นปัญญานี้กําลังมากกว่าแล้วฟาดลงไปแหลกแตกกระจายไปหมดเหมือนไฟได้เชื้อปัญญานี่ ม, มันมีเชื้อคือกิเลสอยู่ตรงไหนความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญของกิเลสอยู่ตรงไหนปัญญาจะแทกเข้าไปแทรกเข้าไปจนกทั่งพังทลายคําว่าพังทลายคือความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญต่างๆของกิเลสที่มันเคยฝังจมอยู่ภายใน จ, ใจิตใจนี่แหละเป็นผู้พังปัญญาไม่ได้พังมีแต่มีความแกล้าหาสามารถคล่งตัวไปโดยลําดับลําดานี่ละท่านฆ่ากิเลสท่านฆ่าอย่างนี้นี่เรียกว่าปัญญานี่ก็เป็นทางเดิน เพื่อความพน้นทุกข์เตียนโล่งไปอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยสวกคารธรรมเตียนโล่งไปหมดไม่มีที่ต้องติไม่มีที่สงสัยครูบาอาจารย์ก็สอนแบบเดียวกันไม่มีที่สงสัยนี่แหละเราพูดถึงเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญานับแต่ร่างกายเข้าไปนอกจากร่างกายแล้วมันแทรกอยู่ตรงไหนอีกอะ ในขันทั้งห้านั่นแทกอยู่ตรงไหนสติปัญญาจะยั่งเข้าไปทำทำลายราบไปเหมือนกันหมดนี่แหละที่กิเลสมตัวที่มันมาแผ่รัศมีออกมายึดนั่นถือนี่สําคัญนั้นสําคัญ น, น, ญนี้เมื่อถูกทําลายแล้วมันจะถอยตัวเข้าไปถอยตัวเข้าไปร่นเข้าไปร่นเข้าไปจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตนั่นมันไม่มีที่อยู่มันก็เข้าสู่ป้อมใหญ่คือจิตตาวิชานั่นเข้าตรงนั้นเมื่อปัญญา เหมือนไฟได้เชื้อแล้วทําไมจะอยู่ได้ล่ะทําไมจะนอนใจมันต้องทะลุ ก, กันเข้าไปลามลุกเาลุกลามเข้าไปลูกลางเข้าไปจนทั่งเผาไม้หมดแม้จะอยู่ในจิตอวิชาเป็นจิตอวิชาก็ตามไม่้นที่จะพังทลายไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่ขมกล้าสามารถทันเรียวกว่ามหาสีมหาปัญญาแล้วย่างลงไปละเอยียดยิ่งกว่า น, นั้นก็เป็นปัญญาญาณ นี่แหะกิเลสทางเพราะอำนาจแห่งธรรเหล่านี้นี่ท่านก็สอนเอาไว้อะนีะ่คือทางพ้นถุกไปยังไงเมื่อถึงขั้นที่ว่าพังทลายจนกระทั่งถึงวิชาแล้วถามหาอะไรนิพานพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้ถามหานิ้ผานท่านไม่ได้บอกว่าให้ขัดพระนิพานท่านไม่บอกว่าให้ทรมานพระนิพานท่านบอกให้ขัดกราวจิตใจที่ถูกกิเลสตัวโศกรปรกมันหุ้มห่อพาะในจิตใจตีให้แตกกระจัดกระจายออกไป นี่ก็เรียกว่าการก้าวเดินเพื่อพระนิพพานเมื่อก้าวเดินดังที่กล่าวมาแล้วนี้สมาธิโดยเห็นโทษแห่งกิเลสประเภทหนึ่งปัญญาก็เห็นโทษของแห่งกิเลสประเภทนั้นๆจนกระทั่งถึงประเภทที่ว่าละเอียดสุดได้แก่อวิชชาปจิยาสร้างขาราปัญญาก็ยังซ่าคอยหมดเห็นโทษไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงสิ่งนั้นพัทงทลายเพราะอํานาจแห่งความเห็นคุณค่าของความละความถอนเบาลงไปโดยดับปัญจจใจ เป็นคู่เคียงกันไปอย่างนี้นี่ท่านเห็นโทษเห็นเป็นลำดับอย่างนี้ทำไมความเคียงจะอยู่ได้นอนใจอยู่ได้นอนจมอยู่ได้นอนไม่ได้เมื่อได้มีสิ่งเทียบเคียงให้เห็นกันประจักษ์เห็นโทษของกิเลสประเภทใดก็มีเครื่องเทียบเคียงกันเห็นคุณด้วยกันไปในเวลานั้นคือเห็นโทษความฟุ้งซ่านด้วยความสงบเนี่ยเห็นเทโทษความยึดมั่นถือมั่นสาคัญผิด ในร่างกายด้วยปัญญาที่คลี่คลายออกให้ดูแจ้งแทงทะลุไปหมดเห็นโทษแทงนะขันทั้ง5้าด้วยปัญญาที่คลี่ค ล, คลายออกทะลุปุโปร่งเข้าไปเจงกระทั่งถึงแม่อวิชชาะละเอียดแสนละเอียดละอ้อขนาดไหนก็ตามความหลุดพ้นยิ่งเป็นความละเอียดยิ่งกว่านั้นปัญญาเพื่อความหลุดพ้นยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นทําไมจะไปเห็นอวิชชาเป็นเทบุตรเทวดาหรือยิ่งกว่าพระนิพผานก็ได้มันก็พังจนได้นั่นเนะี่ย นี่แหละทางเดินเพื่อผนิพานท่านเดินอย่างนี้ผู้ปฏิบ <Monsieur, control. S 2> e ัติเห็นอย่างนี้เห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณหนักเข้าไปเห็นโทษทีแรกก็ยังไม่เห็นมากเห็นคุณก็ยังไม่มากและเห็นโทษมากขึ้นเห็นคุณมากขึ้นความเพียรมากขึ้นเห็นโทษของกิเลสแม้ที่สุดละเอียดขนาดไหนก็ยิ่งเห็นเห็นโทษมันมากแล้วก็ยิ่งสังสมสติปัญญาเข้าให้มากขมกล้าจนสามารถ ทั้งอวิชชาแตกกระจา ก, กะจายไปแล้วนั่นแหละเป็นยังไงที่นี่นี่นะท่านว่าความเพียรอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นถอยไม่ได้เมื่อถึงขั้นถอยไม่ได้แล้วหากมีสำหรับผู้ปฏิบัติบอกจะใครไม่เป็นไม่รู้ให้ผู้เป็นนั่นแหละเห็นโทษก็ให้เล่าให้ผู้ปฏิผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเห็นโทษเห็นคุณอย่างธรรมทั้งหลายก็ผู้ปฏิบัตินั่นแหละเป็นผู้เห็น ละโทษบำเพ็ญคุณส่งเสริมคุณก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละจงกระทั่งละได้หมดโดยสิ้นเชิงเพราะอํานาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่หมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปสู่จุดเดียวกันจนกิเลศพังทลายก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละนั่นหายสงสัยก็คือผู้ปฏิบัติทำที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนไม่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพวกเราไปโลเลลงเรียกลับหูหลับตาอยู่ที่ไหนยังไม่ สนใจที่จะฟังสนใจที่จะขึ้นปฏิบัติสนใจที่ยึดเอาข้อวัดปฏิบัติของท่านมาเพื่อปฏิบัติให้เป็นสมบัติคุณนสมบัติธรรมสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัตินิพานสมบัติขึ้นที่ใจของเราได้เหมือนข้างพุทธการละ่ะเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเพราะกิเลสตัวนั้นหนามันเหยียบย่ําทำลายอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเรานี่ถูกจองจําไปหมดนนยาบทต่างๆตลอดความคิดความปรุงทูกจองจําด้วยกิเลสทั้งนั้น เพีงไม่ได้คิดอัตจิตธรรมโ ด, ดยอัตโนมัติไม่ได้คิดอัติตธรรมด้วยความเต็ม อ, อกเต็มใจในการประกอบความภาคเพียรเพื่ออัดเพื่อทั้งหลายเป็นเพราะเหตุนี้เองให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเสียถ้ายังไม่ทราบให้ทราบเมื่อกิเลสมันแทรกอยู่ยังไงเวลานี้ความเพียรนั้เรามันถึงก้าวเดินไม่ได้ก้าวเดินได้ยังไงเราไม่เห็นโทษของกิเลสเราไม่เห็นเรื่องของกิเลสที่มันแทรกอยู่นั่นมันยึดมันนังเราไว้ มันคัดแข่งคัดขาตีหูตีตาละไว้ไม่ให้เห็นความจริงให้เห็นแต่ความจำปลอมของมันมืดมิดปิดตาหูหนวกตาบอดอยู่อย่างนั้นตลอดมาตั้งกลับใดกันใดมาตศึกษาอารมกับครูบาอาจารย์ก็ยังหลับหูหลับตาอยู่อย่างนั้นไม่ได้ถือเป็นหลักเป็นจริงแล้วจะเอาอะไรไปเป็นสาระภมายในตัวของเราพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายเั็นทําไมมันถึงเหลยวไหลเหลียวไหล ถ้านเน้นที่ได้ไปอบรมศึกษาครูบาอาจารย์เฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแม่นยําที่สุดเอกที่เดียวเหตุได้มันยิงทะเลสาไหลไปได้เนี่ยถ้าไม่ใช่ของกิเลส ต, ตัวมันหนาแน่นโดยที่เราไม่รู้สึกมั น, มนหนาแน่นอยู่ภายในจิตใจฉุดลากออกจากทางเดินที่ท่านสอนโดยถูกต้องแล้วนั้นจะเป็นอะไรไปทําท่านไม่ได้ฉุดลากออกจากทางกิเลส ต, ตังหากเป็นผู้ฉุดลากออกจากทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนโดยถูกต้องแล้วนั้น มันจึงไม่ได้รู้ได้เห็นอะไรแต่อยู่กับครูบาอาจารย์ก็เหมือนทัพพีไปขวางหม้อขวางแกงอยู่นั่นแหละอื่มมันไม่ได้เข้าถึงลิ้นถึงปากได้มีแต่ทับพีขวางหม้ออยู่ตลอดไปฟังก็มีต่กีเดียรไปขวางอัดขวางทําอยู่ได้ยินก็ขวางได้ฟังก็ขวางอะไรอะไรก็ขวางแต่ภูมิใจว่าตนได้ปรึกษาจากครูจากอาจารย์แล้วก็มาเยื่อหยิ่งจองของทองตัวอือ่มโออาว่าตนนี้เป็นลูกศิษย์ของ ท่านอาจารย์นั้นท่านอาจารย์นั้นปรากฏชื่อดรือนามมได้แต่ชื่อได้แต่ความสําคัญมั่นหมายความทนุงตัวออกไปเป็นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเอาไปจ่ายตลาดอีกนั่นเห็นไหมเรื่องกิเลสมันสลับทับซ้อนเป็นยังไงบ้างดูสิฟังสินี่อะไรเรื่องมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมที่ไหนความเป็นเช่นนั้นมันก็คือกิเลสทั้งแพลนเองเขาไม่ศึกษารวมเขายังไม่ได้มีความทนุงเหมือนอย่างเราที่ไปศึกษาก็ไปสังสมกิเลสแล้วสิ ไม่ได้สังสมอัดสัธรรมพอที่จะเห็นเนื้อเห็นหนังตามความเป็นจริงของตนอันจะเป็นทางเดินเข้าไปสู่อัดธรรมแม้แต่น้อยเลยนี่แหละผู้ปฏิบัติที่ไปศึกษาครูบาอาจารย์แล้วได้แต่ชื่อแต่นามมาแล้วมาก็มาปฏิบัติหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ท่านพาดําเนินยังไงก็ไม่ทำขี้เกียจขี้คร้านคืออะไรมันไม่รู้มีแต่ความอยากขี้เกียจขี้คร้านมีแต่ความท้อแท้อ่อนแอว่าเป็นความสะดวกสบาย มันสะดวกสบายอยู่ในเรือจนจําำที่ถูกคุมขังด้วยอํานาจของกิเลสบีบบังคับอยู่เท่านั้นมันเป็นสุขอะไรความสุขในเรือนจําพิจารณาซินี่ความถูกสุขเพราะอํานาจแห่งกิเลสมันบีบบังคับให้ความสะดวกเพียงนิดหน่อยนิดหน่อยเพื่อให้เราหลงล่มจมไปตามมันมันเป็นของประเสริฐเลิ่นเลืออะไรสิ่งเหล่านี้มันเคยคลองหัวใจเรามานานเท่าไหร่แล้วเคยเราเคยปฏิบัติตามมันมาม า, มากเท่าไหร่ได้ความมิเจฉาทิศอะไร นอกจากการต่อสู้กิเลสเท่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านไม่งั้นท่านจะสอนหรือว่าวิริยะ น, นั่นฟังสิวิริยะธรรมนขันติธรรมเนี่ย อ, อดทนก็ทนต่อการต่อสู้กิเลสเนี่ยเพียนก็เพียนฆ่ากิเลสเพียนชำระกิเลสนั่นสติปัญญาก็เพื่อชำระกิเลสเพื่อฆ่ากิเลสนั่นท่านนํามาใชา้ท่านไม่ได้นอนจมอยู่เหมือนอย่างเราเป็นอย่างไง นี่ไหนเมื่อความเพียรก็ไ ม, มีความอุตสาห์พยายามก็ ม, มีเรียกว่าเพียรได้ยังไงเรียกว่าปฏิบัติได้ยังไงสติปัญญาก็ ม, มีจะหาความเฉดาบที่ตรงไหนอืเพียงแต่มาอยู่สำนักของท่านครูบาอาจารย์แล้วเอาชื่อนามไปงั้นมันวิเศษที่ตรงไหนเราคิดดูสิทัพพีมันรักคนอยู่กับแกงทั้งวันทั้งคืนมันได้ความวิเศษที่โสอะไรเนี่ยลักษณะทัพผีเนี่ยการไปอยู่ครูบาอาจารย์แบบลักษณะทัพพีขวางหม้อ น, นี่มันเป็นประโยชน์อะไร เราพิจารณาดิมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่ก็เหมือนกันที่มาศึกษาอารมณ์อยู่กับเราเวลานี้ก็จะไม่พ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปเพราะเราได้เห็นมาแล้วอิหนาและอาใจชาวว่าเคล็ดลาบก็เคล็ดลาบแต่หมูเพื่อนก็หลังไหลมาหลังไหลมาอย่างนี้จะทำยังไงฮ้อนแล้วน่าจะเอาไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์เพื่ อ, อคือปฏิบัติให้เป็นสมบัติของตนขึ้นมาภายในจิตใจเช่นสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติเป็นต้น มันก็ไม่มีอะไรที่ปรากฏมิวลาบ้างเลยนี่ทํำยังไงมีแต่ความขี้เกียจจีคลาดมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นมาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นแล้วไปแบบนั้นไปแบบที้เกียจจองจําไปขีเกียจบีบหัวใจไปไม่มีทําเป็นเครื่องกําจัดที้เกียจออกจากหัวใจว่าเวลามานั้นน่ะเป็นมาด้วยความโง่เง่าโง่เง่าเตาตุ่นเวลาอยู่ก็อยู่ด้วยการพุดปฏิบัติกําจัดความโง่เง่านั้นไปก็ไปด้วยความสง่าผ่าเผยทรงอัดทรงทํา ตั้งแต่สมาธิปัญญาก็ตั้งถึงนิมุตตุดุจพ้นมันเป็นไปได้ไหมอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้ตั้งบุกตั้งใจจริงนี่มันมาแบบนั้นไปแบบนั้นนะมาก็โง่อยู่ก็โง่ไปก็โง่แบกแตะกี้ดเด็ดทับหัวอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าหนักอยู่เหรอพระพุทธเจ้าสาพวพทั้งหลายล้วนแต่จอมปราดท่านเห็นหมดสิ่งเหล่านี้เป็นของหนักที่สุดไม่มีอะไรหนักเกินกิเลสความโลภ ก, ก็หนักความโกรธก็หนักความหลงก็หนักเมื่อมันได้แสดงอะไรตัวอะไรออกมายิ่งหนักมากยิ่งหนักมากแสดงดิเดียรออกมา กระทบกระเทือนตนและกระทบกเทือนกระทบกระเทือนผู้อื่นทําโลคให้คิดหายได้เพราะกิเลสนี่เองทำมาท่านทําโลคให้คิดหายที่ตรงไหนไม่เคยมีเลยมีแต่กิเลสทั้งนั้นความโลภมันเป็นยังไงเวลาเกิดขึ้นมามันทําโลกให้เจริญยังไงบ้างมีแต่มันเห็นความเห็นแจตัวความโลภมากกับความเห็นแจตัวความปนิที่เหนียวความเข้าใครไม่ได้นี่ก็คือความโลภนั่นเองมันออกไปจากไหนความโกรธก็เหมือนกันฆ่าฟันกันแหลกเลี้ยวไปหมด โรคหาความถุกความสบายจากการฆ่าฟันกับมีที่ที่ไหนแต่กิเลสมันทําได้อย่างองค์อาจกระหามอย่างสบายว่าไงดีไหมกิเลสนั่นจิ่งเหล่านี้เคยจมอยู่ในหัวใจเรามานานสักเท่าไหร่ทําไมจึงไม่เห็นโทษของมันแล้วกําจัดปัดเป่าออกไปนี่เรื่องของกิเลสมันหนักอย่างนี้เองภูเขาใครไปแบกมันดินทั้งแผ่นขนาดไหนใครไปดูน้ําหนักของมันพ่อไม่ได้แบกนะฮะแต่กิเลสนี้มันแบกอยู่ทุกวันทุกคืนยืนเดินนั่งนอน สัมผัสสัมพันธ์างอะไรก็ตามทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องได้แบกได้แบกได้แบกทั้งนั้นรักก็แบกชังก็แบกโกรธก็แบกเกลียดก็แบกขึ้นชื่อว่ากเกลียดไม่มีคําว่าไม่แบกแบกทั้งนั้นแม้ที่สุดมาอยู่ในภาณกิจจังตนก็เป็นธรรมอารมณ์แบกธรรมอารมณ์อีกเรื่องของกลียดมันหนักที่ตรงไหนพิจารณาดิมันไม่หนักใจนี่หนักที่ตรงไหนมันหนักที่ที่หัวใจเราผู้แบกผู้หามนี่ต่างหากนี่นะนี่การสอนอัดสอนธรรมที่ครูเจ้าทรงสอนสอนตรงที่มันแบกมันหามน ให้ปลดให้เปลืองออกไปด้วยสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรแล้วจะได้โปร่งโล่งเบาสบายอิสระภาพอิสระเสีดีคือใจที่หลุดพ้นจากกิเลสนี้เท่านั้นนอกนั้นใครจะว่าอิสระก็อิสระที่ไหนก็ตามเถอะมันคือความไม่อิสระคือความถูกบีบังคับอยู่ตลอดเวลานั่นเองมันเศษสรรปัญญยอกัย่าเอาอย่างนั้นต่อเมื่อกิตได้สลัดตัวออกไปจากกิเลสแล้วไม่บอกว่าอิสระมันก็โล่งอยู่ตลอดเวลาเวิ้งวงอยู่ตลอดเวลา ทันวันนิพพานว่างว่างตรงไหนใจไม่เป็นนิพพานด้นเดาไปทําไมแปรไปทําไมเมื่อมันถึงนิพพานจริงด้วยใจบริสุทธิ์แล้วแปรไม่แปรมันก็เป็นนิพพานนั่นฟังสิให้มันเห็นอยู่ในประจักษ์เจ้าของสิมีตั้งแต่สัญญาอารมณ์มาแปรกันซะจนแหลกจนเหลวไปหมดความจริงคือธรรมของเบร์เจ้าที่ทรงรู้มาด้วยความสัตย์ความจริงมากลายเป็นเรื่องปลอมไปหมดเรื่องขอใจที่มันปลอมสำคัญนั้นสําคัญอย่างนี้คนนี้สําคัญอย่างนั้นคนนั้นแปรอย่างนั้นคนนี้แปรอย่างนี้น มันมีแต่นักปราดนักปาดอะไรนัำปราด์กิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นคือแล้วสุดท้ายหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เลยแล้วก็ถอยหลังอ่อนไปหมดอ่อนเปียกไปหมดเพราะคาแปลนั่นแหละเลยหาสาระไม่ได้นั่นนกิจภาพแปรมันหาสาระไม่ได้ถ้าทำภาพแปลเป็นยังไงพุ่งทีเดียวนั่นทำภาพแปลไม่ต้องแปรฟังสิถ้าทำภาพแปลแล้วไม่ต้องแปลแปล แ, แปลสภาพทุกสิ่งทุกอย่างของทําเข้าสู่ใจดวงเดียวแล้วไม่ต้องแปลก็ได้ถึงนิพพานแล้วไม่ต้องถามใครจะว่านิพพานเป็นไงก็ตาให้มันเห่าไปอย่งนั้นแหละพูดที่มันเหา่าก็เหา่าพูดที่รู้จริงเห็นจริงไม่เหา่ารู้จริงอย่างพูดที่เจ้าและสาวกท่านองค์ไหนเจอเข้าไปก็ตามเถอนะขอให้ยีเดีมันพังลงไปจากใจหมดเท่านั้นแ่ะแปลไม่แปลก็ตามถึงเรื่องนิพพานมันขังอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจเลิกอยู่ตลอดเวลาใครมาไม่เลิกก็เลิกอยู่ในนั้น ในหลักธรรมชาตินั่นถึงเป็นธรรมแท้เป็นอย่างนั้นในเรื่องของพรอมิดาเศษแตสันปัญยอกันตื่นลมตื่นแรงกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเขื่อหลับก็คือหัวใจมนุษย์ที่ถูกขี้เด็ดมันปิดบังบีบไว้นั่นเองมันถึงไม่ไดยอมรับความจริงทั้งหลายเม่มีแต่ของปลอมเต็มหัวใจเมื่อของปลอมเต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาเป็นสุขแสดงออกก็มีแต่หลอกแต่หลอนแต่ต้มแต่ตุนตนเองได้ยังไรเนี่หลอกหลอน ต้มตุนคนอื่นอยู่ด้วยตามคนต่าง ม, มีอารมณ์เป็นเครื่องหลอกหลอนต้มตุนเองและพู้และผู้อื่นอยู่ตเวลาโลกหาความร่มเย็นที่ทางไหนเมื่อมีตั้งแต่เรื่องความหลอกลวงต้มตุนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจของกิเลสครอบหัวใจครอบหัวใจอย่างนี้ทำท่านสอนขนาดไหนมันไม่ยอมรับเพราะกิเลสมันหนามันไม่ยอมรับถ้าเราไม่ฟังของกินจากผู้เจ้าทั้งๆ ท, ท, ที่เราก็กลัวทุกอืเกรียบทุกแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นสาระสําคัญที่จะกําจัดทุกไปได้ถ้าไม่นำํำทำก็ไปประพฤติปฏิบัติ นัำ่นทำคือปฏิบัติความกิเลสมันหลอกเปฏิบัติพื้นยากปฏิบัติยากปฏิบัติธรรมแน่ตั้งสิมีแต่กิเลสเข้าไปฉอดไปแทรกไปคัดแข่งคัดขาวไว้สิ้นหมดมัดตีนมัดมือให้ก้าวไม่ออกเลยยี่ว่าไงเป็นยังไงพวกเราโง่ไหมพิจารณาให้ดีสิผู้ปฏิบัติถ้ามันเมื่อใจมันเหนือแล้วมันมองเห็นหมดแล่วแหละเรื่องที่กล่าวมานที่ไม่กล่าวมากขนาดไห น, นเพียงตัวเท่าเรานี่ตัวเท่าหนูเนี่ยมัน พูดได้นี่ว่าไงไม่เห็นพูดมาได้ยังไงว่าอย่างนี้มันโกงๆไปเลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะเราเคยเป็นบ้าผู้กิเดชมาพอแล้วอ๋อจะเป็นบ้าทําให้เห็นทันทีบ่ท่านหลายพิจารณาสิการคุยปฏิบัติพระพุทธเจา้าท่านเห็นโทษจริงๆเห็นโทษของกุทธิเดชนี่จนขาดใจความใจหายท้าพูดภาษาของเราเออมันพาล่มพาจมในภพชาติน้อยใหญ่ทั้งหลาตั้งกลับตั้งการตงารตงไหนที่ไมไ่เคยไปติดไปตนนกน้ำนรกลุมไหนไม่เคยมี พบไหนชาติใดของสัตว์ตัวใดมันเที่ยวสอดเที่ยวแทกเที่ยวเกิดได้หมดอํานาจของจิเลตมันบีบบงังคับให้เกิดได้หมดว่าไงเอเกิดที่ตั้งไหนก็ได้ ท, ทนทุกข์ทรมานมากน้อยตามลําดับลาดาอยู่ด้วยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังจะเห็นคุณค่าว่ามันเป็นความธรรมชาติพิเศษวิโสอะไรอีกจึงตื่นไม่ตื่นตัวบ้าง น, นะพินาสิผู้ปฏิบัติเพื่อ อ, อัตว่าธรรมไม่เอาทำเข้าไปส่องดูให้มันเห็นจิเลตตัวเป็นโทษทั้งหลาย ทำจะประกาศตังบานตัวออกมาเป็นอุทานออกมาได้พ้นแล้วนี้ได้ยังไงเมื่อมันเห็นโทษของกิเลสได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ทก็ต้องเห็นโทษเห็นคุณค่าของธรรมเต็มเมดเต็มหน่วยนั้นเราฟาดกันเลยทีนี้ดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยงานพระพุทธเจ้าท่านท่านท่านเค็ดทุกท่านเค็ดแท้ๆเพราะเป็นผลของกิเลสที่ผิดขึ้นมาก็เห็นโทษกิเลสอย่างถึงพระไทยเมื่อได้เห็นแล้วสอนโลกจึงสอนด้วยความเมตตาสงสารพุทธกิจห้าภาระของพุทธเจ้าห้าอย่าง ทรงทำด้วยความเมตตาสงสารไม่มีใครบีบบังคับพระองค์ให้ทําเลยแต่พระเมตตานั้นเป็นเป็นธรรมชาติที่อ่อนนิ่มไปหมดในสัตว์ทุกทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เป็ น, ท, ปนที่แบกกองทุกข์อยู่ด้วยความเกิดจากเกิดตายตกนรกหมู่ไม้ที่ไหนพบใดชาติใดมีแต่กองทุกข์บีบบังคับท่านมีความเมตตาสงสารเพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างนี้ท่านพ้นจากทุกข์แล้วท่านเห็นย้อนลงไปเห็นเรื่องทุกข์ท่านมีความเข็ดหลาบที่สุดแล้ว รีบแนะนําสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายให้มีความจะให้มีให้พูดง่ายเหมือนนว่าให้เชื่อถ้าคาคดเถิดนั่นเชื่อจิเดศทุกกนทั้งหลายจะจมอย่างนี้ตลอดไปนะเอาเชื่อถ้าคาคดเถิดปันหนึ่งมากพระองค์ประกาศตนอย่างนั้นอืนึกว่าเราบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์พ้นแล้วพ้นแล้วนี่เป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารเพราะความเข็ดหลาบในกิเลศทั้งหลายอยากให้สัตว์ทั้งหลายได้พุดได้พ้นไปอย่าได้มาล่มจมอย่างนี้อีกต่อไปนานนักหนาเลยอืม นั่นละฟังสิแล้วทำท่านก็ บ, บอกท่านก็สอนว่ามีคุณค่าขนาดไหนเลิศเลอขนาดไหนกับกิเดสที่มันเลวขนาดไหนก็เอามาเทียบเทียงกันหมดแล้วถ้าจะเชื่อก็เชื่ อ, อไม่เชื่อก็สุดวิสัยของสัตว์โลกเป็นกรรมของสัตว์อย่างว่าจะทํำยังไงในพวกเราก็เหมือนกันนี่สอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตัว น, นึองมีมากมีน้อยอะไรไม่ได้อวดหมู่เพื่อนอสอนด้วยความเต็มใจจริงจริง ด้วยความเมตตาสงสารมากน้อยเป็นไรก็ทนถูถ่ายกันไปมาอย่างที่เห็นอยู่นี้แหละเต็มวัดเต็มมาหนาแน่นไปหมดมีตั้งแต่พระตะเนียนจนจะหาที่ภาวนาไม่ได้แล้วก็เห็นใจถูถ่ายกันไปนี่แล้วมาจะมาแบบทัพพีขวางหม้อแล้วอย่ามานะให้พากันหนีนะนี่ไม่ใช่สอนเพื่อทัพพีขวางหม้อนะสอนเพื่ออัดเพื่อทำสอนเพื่อความดุจพ้นจริงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกําลังความสามารถในการสอนมีมากมีน้อยแล้ะสอนเต็อย่างเต็มภูมิ ใครจะว่าโอ้ว่าอวดว่าอะไรก็แล้วแต่ไอ้เรื่องของกิเลสมันแทรกไปในทุกแห่งทุกหนแล้ถ้าเอาจะเอานั้นเป็นแสนะก็อ้าวจะเชื่อทำเเดินตามมันไปถ้าไม่เข็ดหลับจากการเกิดตายจะได้เกิดตายตลอดกับตลอดการไม่มีวันสิ้นสุดวิมุตไปได้เลยนี่ถ้าเชื่ออาเชื่อธรรมแล้วก็เท่ากับ ว, ว่าทางนิยจนเข้ามาย่นเข้ามาพกชาติย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงวิมุตดุดพ้นขาดสะบั้นไปหมดพกชาติไม่มีเหลือเลยในภพนี้ชาตินี้แหละเป็นชาติสุดท้ายของเราเห็นประจักษ์ภายในจิตใจ แมวัุนิจะไม่มาประกาศสอนก็ตามก็ทําของท่านประกาศไว้แล้วนี่ด้วยสันที่ดีโกผู้รู้ทำเห็นทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วจะสงสัยไปที่ตรงไหนทำนี่ไม่ใช่ทำที่สงสัยงนั้นขอให้ทุกท่านได้ถึงใจในการประพฤติปฏิบัติมาศึกษาอุรมอย่ามาลุ่มลุ่มดนโนมาสุ่มสี่สุมห้ามาอยู่มากินมาหลับมานอนเฉยเฉยโลกเขาทำได้สัตว์เขาทำได้จะว่าแต่มนุษย์จะว่าแต่ผู้ปฏิบัตินักบวชเหล่านี้เลย ถ้ามาทำแบบนั้นแล้วไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยถ้าฟังให้ฟังให้ถึงใจการพฤชิตปฏิบัติให้ถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำจะถึงใจจิตเดชจะพากจากใจไปโดยลำดับในขณะที่ทำถึงใจถึงใจนั่นแหละนี่การแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเป็นข อ, อยุ ต, ตนนยิเพียงต่านี้เหนื่อยเพลิเล่นเล่นเหนื่อยไม่ นไปมันน่าก็เองเงใ่ไหมเงีว่าอะมันก็ไม่ถึงใจนี่ถึงถึงสิเห็นอยู่รู้อยู่เป็นอยู่นี่นะว่ามันยังมาลู่ลู่คำคหลับหูหลับตาดูอยู่นี่นี่นนชี้ลงไปขนาดไหนมันยังม่เห็นี่ามันก็โมโหเลยนั่เทียวการนี้ก็เดทถึงสามวนะสามแหงทั้งที่เหนื่อยผมก็ทนสงสารเเคขอแล้วขอเล่าทำไ ประเทศธนาคารชาติแห่งวันหนึ่ประเทศที่กรมชาพันธ์วันหน่งเทศี่รวงศึกษาวันทสามผระงศึกษาวันที่สี่ตอนเที่ยงกรมชาพันธ์วันที่สามบ่ายห้าโมงต้าคารชาติกันห้าโมงกันใช่แห่งนุ้นแห่งนะห้าสิบนาทีนะ อย่างนั้นห้าสิบห้าสิบแล้ว ไ, ไม่ไม่ไม่เร่งอะไรมากนะพระเท่าไหร่เนียนทลาย น, นี่โอ้หกสี่จุดห้ามันเยอะเลยนะเนี่ยใครเข้ามาศึกษาแล้วก็ไปนะออกนะอย่ามาอัดแน่นกันอยู่นี่หนาความต้อ ง, องหุบต้องหลานไม่ได้นะ มาก็ออกเย็นมาอัดแน่นกว่า น, นะอะไรเราจะตายนะตรงกบเพื่อนอักพาลักต่างๆตงไปหมดมันเหนื่อยอย่างเทศหนึ่งเหมือนกันนะไปเทศแต่ะแรกแล้ว ห, ว น, น, ว น, ห น, น, นีทุกวันหนึ่งเหมือนเดิก่อนเทศมาแล้วก็เหนื่อ ย, อยนั้นนะมันไม่อยากพูดกับใครแล้วทุกวันนี้ถอยก็มาทุกอย่างหมดก็มาหดก็มาล่ะมันไม่อยากเล่นกับอะไรเลย ทำประโยชนก็ทําเกี่ยวข้องกับผู้คนพระเนกับเกี่ยวพรมานานเนอะสามสิบกว่าปีแล้วจะพ่ผพานี่นีน่เมื่อก่อนญาติโยมนะสําญาติโยมยังไม่ได้ตอมาโยมแม่บวชนอ่ถึงไี้เกี่ยวข้องตอนพระนีนตั้งแต่พู้แม่ครูยันมั่นร่วงไปแล้วนั่นแหละเกาะพิบตั้งแต่นั้นเลยอี่างเราหักหลบหักลีอยู่ตลอด จนเข้าบรรษาปีหลังที่ท่านมรณะภาพดาวนี่นึงวัดห น, นองผือที่นี่สิหี่เกียตองค์ที่แรกกำมีนพระสองสามองค์หลวงตายอยู่นั่นพอเราเข้าไปนั้นเดือนแปดคืนแปดข้างเราไปนั้นสิบห้าคำเป็นวันเพ็ญเดือนแปดจะเข้าพรรษาแนละ้วเพงเท่านั้นนะดูสิเพิ่มเข้าไป ยี่สหกี่สิบเจ็ดองจากนั้นมาเรื่อยๆไปไหนกันตามตักหนดักหลังนั่นไปอยู่ให้ชซากรนี้มนต่ำกว่าเก้าองค์สิบองค์ทุกปีมาจากทางไหนกันบ้า ง, งพระเด่นวัดไหนวัดไหนแต่วัดไหน ผมไม่อยากพูดอยากถามนะตัวเนี่ยขนาดหนาหนดูเอาไม่ใช่ร่างเขียนหมูอเพื่อนมั น, นเป็นในท่านในขันนี่มันไม่อยากเล่นกับอะไรแนละ้วไม่ว่าพระเนรไม่ว่าประชายจนญาติโยมมันเป็นภาล่าเหมือนกันหนักเหมือนกันพือมร้อนนี่ดดก็นอนก็ไม่กระได้นะฉันก็ไม่ได้ลดลงกางําลังลดรงลดลงทันหาร้อนเป็น หนาวดีฉันก็ดีนอนก็ดีมันเป็นอะไรจมูกนีก็ดีสังเกตมันก็ไม่ได้เรื่องวันนี้พูดอะไรอีกละ่ะผมเหนื่อยอเอเ อ, ออกกันเลิกกันละ